ท่านสาธุชนพุตบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะปรารบกัมมันดาท่านพุทตบริษัทในปฏิบัตาที่ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีนี้รู้สึกว่าจะต้องใช้กำลังใจมากสักหน่อยด้วยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสวไว้ว่า พรานาคามีเป็นผู้เมียที่จิตศิกขาคำว่าเป็นผู้เมียที่จิตก็หมายถึงว่าต้องมีกำลังฌานสูงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าได้พูดมาแล้วในตอนของพระโสดากับสหิทาคาสำหรับพระโสดาบันนั้นเหมือนกับคนเดินบุกทางป่าคือเป็นทางรก ก็รู้สึกว่าไม่มีความลำบากมากนักมาเทียวสังิธาคามีก็ต้องพบกับช้าง <c oughs> <c oughs> ก็พยายามทำลายช้างคือตีช้างให้ช้าในสีข่ขาแต่ความจริงจะไม่ได้ฆ่าช้างแล้วก็ยังไม่ได้ตัดขาช้างเพียงแค่ลอบทำลายช้างตีขาให้ช้ำ เป็นอันว่าทำให้ช้างเดินลำบากคขาหน่อยแต่ถึงกระไรก็ดีช้างก็ยังเดินได้คำว่าช้างในที่นี้ก็ได้แก่กิเลสคือราคะความรักโทสะความโกรธและโลภความโลภโมหะความหลงมาตอนถึงพระอนาคามีนี่ไม่ใช่แค่ตีขาขาช้างให้ช้ำแล้วจะต้องตัดขาช้างทิ้งหรืงสองขา ตอนนี้เป็นการลำบากหน่อยเพราะการตัดขาช้างทิ้งนี่ช้างว่าเด็กสัตว์เล็กเป็นสัตว์ใหญ่มีกำลังมากการที่จะเข้าไปตัดขาช้างก็ต้องใช้กำลังสูงต้องพักเพาะกำลังกายให้ดีกำลังกายในที่นี้ก็หมายถึงกำลังจิตต้องมีความเข้มแข็งพอเวลาที่จะเพาะกำลังกายก็ใช้วิธีสอมรายการกล่าวคือ จริยจริยาที่เข้าปราบการมฉันทะโดยตรงนี่หมายความว่าต้องให้กรรมฉันทะตัวนี้ขาดไปเลยไม่มีอยู่ในจิตแล้วก็ปฏิฆะคืออารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งทำให้เกิดความโกรธสองตัวนี้ต้องทำลายให้พินาศไปเพราะนั้นว่าตอนพระอนาคามีนี่ต้องใช้กำลังใหญ่ บางทีพันธพุทธบริษัทหลายคิดว่ามันจะยากเกินไปสาหรับท่านนี่ถ้าหาว่าบุคคลที่เป็นปุตตชนคนธรรมดายังไม่ก้าเข้ามาถึงความเป็นประสงดาและสกิทาคาก็จะเห็นจริยานี้เป็นของยากแต่บางเอื่นอารมณ์ของท่านเองเข้าถึงความเป็นพระสกิทาคามี เป็นอะไรขาช้างแดงสีข่ขาได้แก่การมาชันทะตหนึ่งความโลภหนึ่งความโกรธและความพยาบาตรหนึ่งความหลงหนึ่งเบาบางลงเมื่อสภาพเบาบางลงได้ก็เพราะอาศัยที่เในวัจัยเรามีความเข้มแข็งพอกำลังใจดีขึ้นแล้วจึงทำขาช้างให้เปลี่ยนได้ นี่้ในช่วงต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะย่องเข้าไปตัดขาช่างสองขายังไม่หมดทั้งสี่ขาเอาแค่สองขาเท่านั้นคือขาที่หนึ่งกับขาที่สามขาที่หนึ่งได้ก่การไม่ฉันทะมีความพอใจในการมาคุณห้าขาที่สามก็ได้แก่ปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจที่เราเรียกกันว่าความโกรธหรือความพยายามบัต ได้เรื่องขาสองขานี่ต้องพยายามตัดทีละขาถ้าไม่ตัดคราวเดียวสองขาดีไม่ดีช้างจะง่วงตีตายพยายามสะพาท่าเสียทีกับช้างขาแรกที่เราจะต้องตัดก็คืออารมณ์หวานได้แก่การมาชันท่า ในความจริงแล้วในสมัยที่เป็นพระสิกขาคามีการมาชัชชะตัวนี้อ่อนเปลี้ยมากแล้วถึงกับอารมณ์ที่ประทะหน้ากันไม่มีความรู้สึกในระหว่างเพศบางทีจะมีความรู้สึกขึ้นมาบ้างกนดับลงไม่ง่ายเละเกินก็เห็นว่าสภาพของคนและสัตว์ที่เราพึงปราทนามันเป็นของสกปรกไปหมด แดิมนาศกาญจิฐิฏฐาสุภ ก, ก, กรรมฐานร่วมกันนี่ตอนนี้มาตอนสังหารคือเชื่อขายขาดไปก็รู้สึกว่าจะไม่หนักในการพิจารณาตัวนี้ต้องช้อารมณ์คู่กันอันนี้ไม่ยากถ้ามีความเข้าใจแล้วไม่ยากคำว่าไม่ยากเนี่ยแตมาหมายถึงว่าตามตำราที่ท่านบอกอย่าไปคิดว่าแตมาเป็พระราหันหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าซสเองแล้วมันจะยุง่ง ที่ว่าไม่ยากกเพราะไม่มีเรื่องยุ่งมากแล้วก็จับจุดเฉพาะหนึ่งกายก็ตานุสติกรรมฐานพิจารณาร่างกายตนเองพิจารณาร่างกายของคนที่เราต้องการแต่ตอนนี้คนต้องการก็หายากซะแล้ ว, วเพราะอารมมันเพี้ย ม, มาจากพระสกิทาคามี แล้วก็ห้ามหันอารมณ์นั่งสอาแตการนี้อารมณ์อารมณ์ประเภทนี้ได้เหตุสอบดต่การคือสากายะทิฏฐิกายกตาโนสติพิจารณาว่ากายสุกบลกอาการสามิบสองนี่หาความสะอาดไม่ได้เป็นอสุภาหาความสวยสดเพื่องามไม่ได้เป็นของน่าเกลียดเห็นคนในมีสภาพที่เราเคยรักเพราะว่าทานโทษอยากจะเจียนให้เต็มที ตีนเห็นเห็นคนแต่งตัวสวยๆมากสักเท่าไรก็ตามทีรู้สึกสังเวชใจและสลดใจอย่างยิ่งคิดว่าโอดหนอนี่ใช่ะไรเลยเขาไม่รู้จักความทุกข์การแสวงหาคู่ครองเป็นการแสวงหาความทุกข์คู่ครองคู่ใดก็ดีที่อยากเป็นคู่ครองที่สร้างความสุขให้ไม่มีเลย แต่ผู้อย่างนี้คุณจะขัดคอกับชาวโลกและก็ไม่เป็นไรถ้เวลานี้พูดกับชาวธรรมไม่ได้พูดกับชาวโลก <c oughs> แล้พูดกับคนที่จะเป็นพระอนาคามีและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเวลาที่พูดนี้ก็เรียกว่าพูดกับพระอนาคามีมัตย คือท่านที่ได้ปฏิบัติเทั้สกิทาคามีผลแล้วกําลังแยกก้าวเข้าไปสู่อนาคามีผลนี่ท่านเรียกว่าอนาคามีมัจท่านนาคามีมัจย่อมพิจรารณาหนง่ายว่าคนก็ดีสัตว์คนดีเราก็ดีเขาก็ดีร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสุขบกโกหน้าสีสียงิน นึกถึงแคภาพร่างกายภายในแค่มาทีไรก็เต็มไปกับอาการที่อยากใจเจียนออกมา 7, ทันทียิ่งิ่งคนนั้นหลายแต่งกายสวยสดพลกงามเป็นเครื่องหลอกหลอนตาความรู้เท่าสภาว่าความเป็นจริงมันก็เกิดรู้ตัวว่าสิ่งที่ปลอมแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งภายนอก มีสภาพเหมือนกับภาพแผลเนื้อดีมีสีสวยมาหุ้มห่อเอาจาระประสัสสาวะสิ่งโสโครกว่ากันไหนเหมือนเป็นของเต็มใีความเน่าความเหม็นได้เห็นไปตามหน้าของอริยสัตว์ว่าร่างกายของคนนี้นอกจากสกปรกก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ ร่างกายนี้เป็นบ่อกเกิดขึ้นความทุกข์จริงๆหนึ่งทุกจากความหิวอาหารที่บริโภคเข้าไปทุกวันทุกวันได้มาจากความทุกข์ทุนได้มาจากความเหนื่อยยากลำบากแสนลำบากกว่าจะได้อาหารเข้ามาบริโภคแต่ละคาก็ทำงานจนเกือบตาย ค่าจ้างแรงงานก็ให้เป็นรายเดือนถ้าทำนาเขาให้ค่าจ้างเป็นรายปีถ้าทำไร่เขาให้ราค่าจ้างเป็นรายฤดูกาลหมายความว่ากว่าจะเก็บดอกออกผลได้ค่าจ้างทั้งหลายที่ได้มาจากเงืนอนยาเงิอแรงงานทั้งหลายเหล่านี้เต็มไม่ได้ความลำบา การประกอบกิจการงานเข้ามาเรยงร่างกายที่เต็มไปด้วยความโสโครกต้าฟันเป่าอุปรสรรคหรือปัจเหตุนานาประการนี่เป็นนั้นว่าร่างกายที่เรามีความหลงไหลฝ่ายันอยู่มันเป็นแดงของความทุกข์จริงๆนอกจากทุกข์แล้วก็เต็มไปด้วยความสกปรกอะไรเป็นปัจจัยให้เราทุกข์ เราอาศัยความอยากอยากได้ร่างกายเขาบุกคลอื่นมาเป็นทรัพย์สินของตนอยากได้ร่างกายเขาบุกคลอื่นมาเป็นคู่ครองของตนเวลาที่อยากได้เข้ามาจิตใจมันเต็มไปด้วยความโง่ไม่ได้พิจารณาของจริงมักจะดูแต่สิ่งหลอกหลอนภายนอกเครื่องอภพอรเป็นเครื่องประดับ เป็นของที่ไร้ค่าของชีวิตกินไม่ได้ป้องกันอะไรก็ไม่ได้ประดับประดากระจายดูแผลว่ า, าแต่สิ่งทั้งหลายแล้วนั้นถ้าจะสวยก็คงจะสวย <c oughs> ถ้าเราเห็นว่าสวยมันก็สวยเหมือนกันแต่เราดูค่าของมันในสิ่งที่เป็นเครื่องบรดับมันมีอะไรเป็นเครื่องบอกเกิดขึ้นความสุขบ้าง เพื่อประดับทุกชิ้นที่ร่างกายต้องการจิตใจร่องต้องการมาประดับร่างกายมันเต็มไปด้วยความทุกข์ก่อนจะได้มาก็ได้มาด้วยความเหนื่อยยากลาบากด้วยการหาเงินหาทองมาซื้อกว่าจะได้เงินมาพอแก่การใช้สอยซื้อของน่าไหลเรานั่นก็แสน จ, จะเหนื่อยแสนเหนื่อยเมื่อได้มาแล้วของน่าหลาเรานั่นก็ไม่ได้สวยสดกังานตลอดฤดูกาล ทิ้งไว้ไม่สนใจกับมันเพียงครู่เดียวความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นกับมันความสุขปลุกขึ้มาอีกและขณะที่ปกครองอยู่ก็เต็มไปได้วยอันต ร, รายภัยทั้งหลายก็อย่าปรากฏจากของที่มีค่าทั้งหลายเหล่านั้นคือของทั้งหลายเหล่านั้นคนที่เห็นว่ามีค่าเลเื่อนเปลือเป็นของดีก็พราอาศัยความโง่ท่านั้น คนนี้ก็มีความเฉลา่ายเขาจไม่ไม่มองเห็นของทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นของมีค่าของเลยของประเสรเป็นของดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ดีมันไม่มีค่าเพชรเป็นของมีค่ามากแต่ความจริงเพชรก็เป็นแก้วแล้ว เ, เป็นหินธรรมดาที่มีสีใสเท่านั้นเอามาสวมมาใส่เราเข้ามาัไม่ได้สร้างความสุข ที่เราคิดว่ามันดีก็เพราะอาศัยความโง่ถ้าเพชรนินยินดามันเป็นของที่สร้างความสุขจริงๆเวลาที่เราหิวสวมลงไปแล้วมันต้องอิ่มเวลาที่เราป่วยไข้ามาสมบายแต่งกายด้วยเครื่องอภรร์อย่างนี้มันก็ต้องหายป่วยมันก็ต้องมีความสุขแต่ความจริงแล้วเครื่องอภรร์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอะไรเป็นความสุขมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ไม่ได้ช่วยใหเกิดความสดใดเลยยิ่งร่างกายไม่ดีเพียงใดความเล่าร้อนใจห่วงใยในทรัพย์สินก็มีมากขึ้นเอราเกรงภัยอันต ร, รายจะเกิดขึ้นเกรงว่าจะป้องกันอันต ร, รายที่จะเพิงเกิดกับทรัพย์สินทั้งหลายด้วยการยึดยัง่งไม่อาจจะไม่สามารถป้องกันได้เพราะร่างกายเราไม่ดี นี่เป็นอนุวัสิ่งทั้งหลายที่ร่างกายต้องมานี่ใจใจต้องการนํามาประดับร่างกายมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะความอยากเอาร่างกายเขาบุคคลอื่นมาเป็นคู่ครองเพิ่มทุกข์มากต้องบริหารเลี้ยงดูตั้งเอาเข้าใจยามรักแม้ถึงมองหน้ากันคราวไรก็รู้สึกว่ามีความสุข แต่าอยู่กันไม่นายเริ่มการขัดคอสิ่งแวดล้กั น, กนถ้ามองกันจริงๆคู่ครองจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ตามถ้าเราไม่ฝืนอารมณ์แห่งความเป็นจริงจะรู้สึกว่าร่างกายของแต่และบุคคลมีแต่สภาวะสกระปรกทั้งสิ้นที่เรานำมาประคับประคองนี่เราเประคับประคองของ ส, องสกรปรกนี่ใช้ปัญญาพิจารณายห็นจริงๆ ในตัวสุกกระโปรงทั้งหลายเหล่านี้เรามองเห็นแล้วเรามีความรู้สึกแล้วมันเป็นสุขและเป็นทุกข์เวลาที่เราต้องการเราไม่ต้องการความสุกกระโปรงเราต้องการของสะอาดของสวยของงามแต่ท่านได้มาจริงๆกลายเป็นถุงไถ้ที่ห่อหุ้มไปดูห่อหุ้มมุจาระเข้าไว้ภายในเมื่อรู้สภาวะความเป็นจริง แต่ใจที่ประกอบด้วยความโง่มันก็ไม่พิ้งมันยังโหยงแหนดฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจึงมองมาเห็นด้วยเพราะพระอริยเจ้าใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงเสมอมองร่างกายเป็นทุกข์ตัว น, นี้เป็นนิพพิทายานมีความเบื่อนหน่ายว่ามันสกปรกด้วยแล้วมันก็แถมจะทุกข์เสียด้วยไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุข ทีนี้ทํำยังไงก็อยับใจต่อไปอีกนิดหนึ่งน้อมเข้าในส่วนของอริยสัจว่าเมืม่อร่างกายมันเป็นความทุกข์อย่างนี้ร่างกายเต่มไม่ได้ความมั่สะอาดอย่างนี้ถ้าเรามันหลงไหลอยู่ในร่างกายของเราคนดีหลงไหลในร่างกายเขาบอกคนอื่นก็ดีก็มาจากำหน่ายความอยากเป็นสําคัญ อะไรทําให้เราอยากกิเลสความเลวซามของจิตจิตที่ปลอมที่ประกอบไปด้วยความโง่ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทําให้เราอยากตัณหาเมื่อกิเลสความโง่มันเข้ามาสิงใจมันเสื่อมสอนว่าของสปกปรกควนของสะอาดตัณหาก็ช่วยดึงของสภาวะชิงนั่นเข้ามาเรียกว่าความอยาก เมื่อดึงเข้ามาแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าสุรกรบอกอุปาทานยึดมั่นเขาไว้ว่าจะเป็นสภาพว่าอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเราเป็นของเรานี่ความโง่ใหญ่เป็นข้ามใหม่แล้วทั้งๆที่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสุรกรบกมันมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความสุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปในทรรมกลงัง แล้วก็มีการสลายตายเป็นที่สุดความโง่คืออุปาทานยังจะเข้ามาเสี้ยมสอนใจว่าสิ่งนี้มันเป็นเราเป็นของเราอุปาทานมันเสี้ยมสอนใจทำใจให้มัวเมาอย่างนี้และกุศลคือความโง่มันก็เกิดขึ้นมาในใจ ว่าอะไรก็ตามสิ่งทัางหลายเรล่านี้จะพัดค่าจากเราไปไม่ได้มันก็เราจะต้องอยู่คู่กันตลอดกาลตลอดสมัยรวมความว่าความโง่ใหญ่ที่เกิดขึ้นมาได้เหตุสี่ประการฉะนั้นองค์สมเด็จพระพุทธมารินทรสงแนะนำว่าจงใช้ปัญญาคือตาที่สะอาดเข้าไปพิจารณามันหาความเป็นจริง ตาในที่นี้ไม่ใช่ลูกตาเนื้อตาคือใจวางอารมณ์เดิมเสียที่เราเห็นว่าสะอาดน่ารักน่าใครน่าปรารถนาหน้าพอใจมองหาความตามเป็นจริงคู่ครองเก่าๆที่สมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาถ่ายภาพไว้สุดแล้วเต็มได้ความสวยเก่เวลาแต่งงานกัน พยายามที่โขรักกันเขาไปถ่ายคู่รูปกันไว้เวลานี้เวลาการผ่านาไปไปหกสิบเจ็ดสิบปีเราไปขอดูรูปเก่าที่เขาถ่ายร่วมกันไว้นี้กับรูปใหม่กับรูปใหม่ที่ปรากฏเฉพาะหน้ามันดูที่ว่ามันเหมือนกันไหมมันมีความสวยสดเงินงามมีความสง่าผ่าเผยเหมือนกันไหม นี่ใช้ใจคือปัญญาที่จรณาหาความจริงว่าโอหนอนี่เราโง่ไปสนานแล้วนี่พ่อเท่าแม่เท่าทั้งสองท่านนี้ที่มีเนื้อมีหนังเหี่ยวย่นคล้ายๆกับสภาพผีติดเดินได้จะมองดูจุดไหนก็หาความสวยสดงดงามอะไรไม่ได้เดิมทีเดียวท่านสวยได้กันทั้งคู่ เวลาที่ครวงคู่สมโสดอยู่ร่วมกันขณะที่ท่านรักกันก็ดีแต่งงานใหม่ๆก็ดีถ่ายรูปรวมกั น, กนร่วมกันท่านสวยแต่เวลานี้ถ้ามีสภาพเป็นยังไงเนื้อนหนังเต็มด้วยความเหี่ยวยน่นในตาขาวผมขาวฟันหลอดูอะไรไม่ได้เลยไม่สวยสดไม่งาม พจ life, a, ิจารณาหาความจริงตามนี้แล้วก็พิจารณาต่อไปว่าสภาวะร่างกายที่เป็นอย่างนี้มันสุขหรือมันทุกข์เดิมที่เดียวมันก็ทุกข์อยู่แล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ทุกข์ด้การบำรุงบำรเลอร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีความทุกข์ด้ความขักระหายความหิวในอาหารความต้องการในการมารมณ์ โดยความนิยมคิดว่าเป็นปัจจัยของความสุขต่อมาความป่วยไข้ามาช่สบายเกิดขึ้นมันก็มีเป็นอาการของความทุกข์ตอนนี้แกเท่าเล้าห ย, ยลงไปแล้วร่างกายที่เคยคล่องแคล่วก็เห็นท่าจะไม่เคยไหวย้ายไม่เคยออกผมหลงก็เลวลาดูเป็นดอกเลาเขาโผล่ในตาก็ฝ้าหูก็ฟางฟันก็หักหลังก็คม หนังก็เหี่ยวย่นร่างกายสภาวะอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขและความทุกข์มันสกรปรกด้วยแล้วแถมมันก็ทุกข์ด้วยเราจะเอาใจไปเกาะมันเพื่อประโยชน์อะไรมองดูไปทีว่าร่างกายนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เต็มไปด้วยความสกรปรกอย่างนี้ที่เรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรา มันเป็นเราจริงหรือไม่หรือว่ามั น, ม, นมันไม่ใช่เราถ้าเป็นเราจริงเป็นข้อเราจริงเราเคยคิดบ้างไหมว่าต้องการให้มันแก่ต้องการให้ร่างกายทุดโทรมต้องการความป่วยไข้ไม่สบายต้องการความตายในที่สุดเราเคยคิดบ้างไหม ความจริงส่วนใหญ่และเรื่องตายๆนี่คนไม่เคยจะคิดเรื่องความแก่ก็ไม่มีใครต้องการเรื่องความป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีใครมีความปรารถนาแต่ถ้าว่าเราห้ามมันได้ไหมแล้วก็ตอบกันได้ว่าเราห้ามไม่ได้ในเมื่อเราห้ามมันไม่ได้แล้วมันเป็นเราเป็นของเราแล้วเปล่าแล้วเราจะไปหวังความปรารถนามันเพื่อประโยชน์อะไร ร่างกายประเภทนี้เราถือว่าเป็นผีที่หลอกหลอนเราหนักที่สุดผีที่เรากลัวที่เรียกกันว่าทิศมาในกายเกิดมาในชีวิตหนึ่งอาจจะไม่เคยเจอมันเลยแต่ว่าเจ้าผีคือร่างกายของเราและผีคือร่างกายของคู่ครองนี่มันหลอกเราอยู่ทุกวันมันแก่ลงไปทุกวันแต่จิตใจเราไม่ยอมรับทับผอว่ามันแก่ มันสขปรกจิตใจไม่ยอมรับนักผิว่ามันสุขปรกมันจะต้องตายจิตใจไม่ยอมรับนักผิว่ามันจะต้องตายความโง่ทั้งหลายเหล่านี้ขอเชิญให้มันหลีกไปจากใจของเราตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปทําใจพิจรารณาอย่างนี้อยู่เป็นปกติจึงกระตั้งอารมณ์จิตมันเองกร ะ, ะตาร่ายลม เห็นคนก็ดีเห็นตส์ก็ดีก็มีสภาพมันเห็นซ่าศพมีความสิสียนในใจความปรารถนาในในร่างกายของบุคคลของเราก็ดีของบุคคลอื่นก็ดีย่อมไม่มีในจิตอารมณ์ที่จะคิดปรารถนาต้องการคู่ครองย่อมไม่มีในเราเพราะเรารังเกียรตเพราะเห็นคนไปศพไปแล้วถ้าท่านคิดได้อย่างนี้อารมณ์ใจของท่านจะปองแพ้ว ความรู้สึกกิดสันในเพศจะไม่ปรากฏในจิตของท่านนี่เป็นอันว่าอารมณ์นี้ทรงตัวเราก็ตัดขาช้างขาที่สำคัญที่สุดคือกามาชันทะได้ขาดไม่ได้เป็นอันว่าท่านทรงอารมณ์เข้าถึงความเป็นพระอนาคามีมักในจุดหนึ่งยังไม่ถึงพระอนาคามีผล แต่เอาว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเวลาที่จะพูดกันต่อไปมันก็ไม่มีเสร็จแล้วเพราะว่าเวลามันหมดแล้วสําหรับวันนี้ก็จำย่อมต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนฉะนั้นขอบรรดาท่านประสงฆ์นก่อนพระโยคาวาจอนทั้งหลายจงทรงกําลังใจใคร่ครวญพิจารณาเหตุผลตามนี้ให้จิตของท่านเข้าถึงอให้ถึง ให้จิตของท่านเข้าถึงนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายในร่างกายด้ว ย, ยอำนาจขวัญญาจนกว่าจะได้ถึงการเวลาอันสมควร